รดับใดที่ยังมีอาหางการอยู่อัตตมิมานะความถือดีความยาโสอาหารนี้ความสุขแท้จริงนี้ยังไม่เกิดนะนั้นความสุขที่แท้จริงเกิดจากสภาพร้ายตัวตว น, นเราเจริญสติเจริญภาวนาเช่นนี้นะครับเพื่อถอนลิมสลักอั น, น, นหนึ่งที่ปักนั่นนะครับพระพุทธเจ้าท่านตราสว่าอัตตมิ มาณนี้เหมือนหัวลูกศรจึงเสียบติดอยู่แล้วถอดยากเราปฏิบัติไปเนี่ยมันได้ค่อยๆเพิกถอนความยึดถือความโอหังความสําคัญตนผิดๆไปจากความเป็นจริงของธรรมชาติเพราะเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามตามที่เปนจริงมันจะไม่สําคัญผิดอีกแล้วเห็นขันห้าตามธรรมชาติเนี่ยมันก็หมดสิ้นความสําคัญผิดๆ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 เจ้าเรือนซึ่งเคยเจ้าของเรือนซึ่งเคยเป็นคนจุนเจ้าอันนี้มันหายหัวไปมันก็เหลือแต่แข้งขาเดินไปจิตคิดนึกไปมันมีแต่รูปแต่นามสัมพันธ์กันอยู่เห็นอยู่รู้อยู่เข้าใจอยู่สิ้นสุดความงม ง, งายอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย้าทำได้่บนี้จริงนะครับมันเฉพบว่าความสุขเหลือเฟือจริงๆคล้ายๆไปที่ไหนก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับใคร คนก็อิจช้ากันอยู่เราไม่อิดช้าใครคนก็หาเรื่องคนอื่นอยู่เราไม่หาเรื่องใครมันก็สุขอยู่ตลอดสุขตลอดกาลจริงไห mm hmm. มครับคนเขาริษยากันอยู่ตาร้อนจิตใจลุกเป็นไฟเราไม่เกี่ยวไม่ข้องคนก็แย่งชิงที่ดินไร่นากันฟ้องลงฟ้องศาลเราไม่รู้จะฟ้องใครเราไม่มีเรื่องอะไรกับใครเรนั้นความสุขจริงเหลือเฟือค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 ท้องร่วงคืนเดียวน้ําออกจากร่างหมดตายทันทีทั้งทั้ๆน้ําไม่กี่ตังค์เลครับในร่างกายนี่ผมว่าไม่ถึงปิ๊บขายสักสองบาทไม่มีใครซื้อแต่ว่ามันถ่ายออกมาหมดสิ้นคุณจะตายทันทีหรือไฟธาตุไฟธาตุแตกก็เกิดการไม่ย่อยอาหารขึ้นแล้วคุณก็ตายลมสว่านพัดขึ้นเบื้องบนทีเดียวคุณกบตายแล้ว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 เจ้านายทุกคนจะชี้นิ้วชี้ไปที่ธาตุนิ้วกลางบอกว่าค่าสูงกว่าใครหมดนิ้วนางบอกว่าค่าสวยกว่าใครหมดเพราะเวลาเขาใส่แหวนเขาใส่ที่นิ้วของข้านิ้วก้อยบอกไม่ใช่อย่างนั้นค่าตัวเล็กก็จริงแต่เขาถนอมคําว่าแหวนและแพงจะอยู่ในนิ้วของข้าเทีย่ยงไปเทียงมาฝ่ามือว่าฝ่ามือก็บอกว่าเจ้าทั้งหมดอยู่ในกํามือของข้า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 แต่ว่าเมื่อเราสลามไปมันก็อยู่นนะแต่ไม่จําเป็นต้องไปรู้มันด้วยซ้ําไปเข้าใจไหมครับ<ฮ>ความสําคัญของเราไม่ได้อยู่ตรงที่เรากุมไว้ในมือความสําคัญหยดน้ําหยดหนึ่งไม่ได้อยู่ที่เราประคองไว้ในมือคืนประคองไว้มันละเหยหมดแต่มันจะมีบทบาทสูงมากเมื่อเราไปฝากไว้ในมหาสมุทรครับเข้าใจไหมครับน้าค้างทุกหยดเนี้ ไม่มีค่าอะไรครับมผมไม่เคยเจอแม่ค้าขายนมค้างเลยนะเจิญจะได้ซื้อฝากเด็กก็ไม่มีใครขายแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่แปลกมากทุกเช้านียเต็มไปหมดโดยเฉพาะที่วัดนี้ผมตึงนมาเห็นนมค้างเต็มไหมดเลยบนใบไผ่มันไปมันมาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีล่องรอยจับยึดก็ไม่ได้ จกไปไฟในตู้เย็นนกลายเป็นอื่นไม่เป็นน้ำค้างแล้กลายเป็นน้ำแข็งดังนี้เองครับเราต้องเรียนรู้สภาวะซึ่งดาา <c oughs> คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไร้ค่าครับแต่มันมีค่าของมันเองนะเมื่อใดที่เราขวายคว้าเอาสิ่งที่โลกสมมุติให้เราก็จะเจ็บปวด ถ้าใครสุกคนหนึ่งจะโกนหนวดนะครับเขาโกนได้ทันทีถ้ามีมีดแต่ถ้ามีกระจกจะช่วยโกนน่ายขึ้นใช่ไหมครับถ้าใครสำคัญผิดส่องหน้าในกระจกเห็นหนวดก็คิดจะโกนมันในกระจกแล้วก็ยุ่งใหญ่เลยเข้าใจไหมคือจะโกในใบหน้าที่ในกระจกนะซึ่งมันหลอกท่างนั้นมันเป็นภาพสะท้อนเราใช้กระจกสองเพียงเพื่อกลับมาโกนที่หน้าเรา ปกกลที่หน้าเราแล้วไอ้ข้างในกเกลี้ยงเองครับเข้าใจไหมถ้าเข้าสิ่ฟิตแล้วยุ่งกันใหญ่นะผมว่ากอนทีามานี้ที่บ้านที่ผมพักนะครับจริงๆผมไม่มีบ้านเขาให้อยู่มีนกตัวหนึ่งมาเกาะที่หน้าต่างกระจกครับกระจกบานตันนะครปิดตายเนี่ข้างในมันมืดดังนั้นมันคิดว่าเป็นนกตัวเมียมันเลย จ, จิจิกจะเข้ามาให้ได้ จิกบินวนหนึ่งนั่นะครับกลับไปพุ่มไม้เดี่ยวหมาที่นั่นสามวันเต็มๆ เ, เลยผมเฝ้าดูอยูจ่จนผมรู้สึกสงสารเลยเอาเศษขนมปังไว้โลยให้มันกินมันก็กินนิดเดียวเดี๋ยวก็จิกจิกประมาณสามวันเต็มๆคือมันเข้าใจว่ามีอยู่อีกตัวหนึ่งข้างในซึ่งเป็นรูปของมันเองนะจ๊ะนีะครับแต่วันที่สี่ไม่รู้หายไปไหนหรือตายหรืออะไรผมไม่ทราบผมมันรู้สกสลดขึ้นมาเลยจ้าอืม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 เช่นยืดแข้งยืดขาได้มันดีอย่างนี้นั่งได้นอนได้มันสําคัญอย่างนี้เดินได้กินได้ถ่ายได้มันสําคัญอยู่ในตัวมันอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันเป็นห้องเต้ท่านจะต้องนั่งถ่ายท่านี้จึงจะสําคัญสมตําแหน่งห้องเต้ฉันต้องยืนถ่ายฉันต้องทําอย่างนี้ไอ้นี่มันสำคัญผิดไปดังนั้นพรสงฆ์ลวงว่าฟุตประธรรมประสงค์นะครับมีความสลักสําคัญมาก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 คิดว่าตัวเองเป็นสมเด็จเป็นเจ้าคุณเป็นอะไรต้องวิเศษกับชาวบ้านเมื่อ น, นั้นพระสงฆ์จะหมดสิ้นความสําคัญไปทันทีเข้าใจไหมครับคือจะไม่อยู่ในความทรงจำของคนรุ่นหลังโดยทั่วไปผู้เฒ่าผู้แก่นะครับหรือพระสงฆ์มักคิดว่าเด็กรุ่นหลังนี่โง่ไม่สนใจพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมผมไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นเลยผมคิดว่าคนทุกรุ่น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 ไอ้ น, นี้ยิ่งยิ่งนานเข้ายิ่งไม่ลืมครับเป็นความตื่นเป็นเหมือนแสงสว่างครับไอ้ไอ้ที่เราเรียนหนังสือหนังหามันเป็นเพียงความรู้ครับไม่ท่องก็ไม่จํานานเข้าก็ลืมหรือตกใจอะไรขึ้นก็หายหมดเลยความรู้แต่ตัวนี้ยิ่งตกใจยิ่งตื่นใหญ่เลยเข้าใจฮะยิ่งเข้มขึ้นทุกทีทุกทีมันนั้นแยกให้ออกเห็นความสำคัญของมันว่า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 ปฏบัตนี้นะครับเก็บเส ม, มือนการเชื่อมต่อประสบการณ์ต่อประสบการณ์พอเราเริ่มปฏิบัติกรรมะความเราเชื่อมเข้าไปกับไอประสบการณ์ที่ครั้งที่แล้วเก็บเส ม, มือนเชื้อไฟนะครับเชื้อความร้อนอยังมีอยู่เราก็เติมทันทีตถ้าเชื้อนั้นหมอ ด, ดับหมดแล้ว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 ท่องสูตรเคมีหรือท่องข้อความหรือบทความอะไรสักอย่างหนึ่งท่อนต้นเราต้องทวนได้ครองปากครองใจแล้วขึ้นบทเรียนใหม่แล้วก็เชื่อมติดกันเราก็ท่องต่อยืดไปได้พอจะเริ่มบทใหม่กลับไปทวนทัอนต้นถ้าจับตัวนี้ได้แล้วเนี่ยมันเราจะมีการ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 จะค่อยๆละรูปแบบแต่เชื่อมโยงประสบการณ์เนื้อหาประสบการณ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนกระทั่งครั้งสุดท้ายไม่ได้สนใจตัวเองยกมือหรือเปล่าพร้อมไปอยู่ความรู้สึกตัวถึงระดับนี้ครับเนี่ยรูปแบบหมดความจําเป็นต้องใช้เข้าใจไหมครับคนเนื้อหามันต่อติดกันนะครับเหมือนเราเทคอนกรีตลงในเบ้าใหมๆ่ๆนั้นเบ้าจําเป็นมากสุเดเยครับไม่มีเบ้ามันทำคานไม่สําเร็จเลย ไม่รู้จะทำกับมันยังไงแต่พอเทเสร็จยี่ิบสี่ชั่วโมงรุ่งเช้ามันมันจะร้อนขึ้นตอนคืนพอรุ่งเช้าครบยี่ิบสี่ชั่วโมงหรือสักวันสองวันยิ่งดีห<ฮ>รือแบบออกเพราะเดี๋ยวนี้เนื้อหามันเชื่อมกันหมดแล้วเข้าใจไหมครับ่อนานนั้นหินก็เป็นหินปูนก็ปูนทรายก็ทรายน้ำก็น้าแต่พอมันแห้งสนิทเขาเรียกปูนเซ็ตตัวสนิท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 ล้าก็เลยพลอยเป็นสุขกับความสุขของคนส่วนรวมต่มาพุ่งอธิบายถึงเรื่องความสุขของสิ้นมานะทิฏฐิความท่อมเป็นลากฐานของความสุขชนิดนั้นชั่วโมงต่อไปนี้พูดเรื่องความสุขอีกแ ง, นงน่นึงครับความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เรียกว่าไม่มีสุขใดสเสมอเหมือนสันติหรือสารติจะโดยทั่วไปแล้วว่าเข้าใจกันผิดผมนึงหยิบมาพูดเพื่อชี้แจงใ ห, mm hmm. ให้ให้กระจ่างโดยทั่วไปคิดว่าพอรู้สึกสงบแล้วก็เป็นสุขแล้วคิดว่าไม่มีอะไรเหนือ mm hmm. นันเข้าใจไม่ถูกต้องครับ พวกคนที่โง่มากๆเนี่ยก็เป็นก็สงบเหมือนกันครับเขาเขไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลที่เรียกปัญญาอ่อนเนี่ยเขาเป็นสุขมากเลยเขาสงบดวงตาแจ่มใสแต่ยี่สิบปีก็ยี่สิบปีก็อยู่อย่างนั้นละครับดังนั้นความสงบสุขเช่นนั้นเนี่ยมันสงบสุขภายใต้โมหะดังนั้นความสงบ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 ทีนีความสงบอีกแบบหนึ่งนั้นสงบเพราะรู้ครับสงบเช่นนี้ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ตัวเวทนาไม่ใช่ตัวเวทนาขันแต่สงบตัวนี้มันสงบที่ท่านเรียกวิมุตตหลุดพ้นจากความโง่ครับเปลี่ยบประดุจคนเดินทางไกลกลับถึงบ้านแม้ว่าเหงื่อยังแต่ยังร้อนแดดเสื้อผ้าเม็นอับ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 ที่เป็นยอดสงบเนี่ยไม่มีขนาดไม่มีสีสันไม่มีลักษณะเพราะถ้ามีลักษณะมันตกอยู่ใต้ความอำนาจของพตรัยลักษซึ่งต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นจะเรียกว่าสงบแท้ไม่ได้วันนี้เมื่อเราปฏิบัตินะครับผมแนะนำให้อย่าทำให้มันสงบ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 ฝุ่นนี้เป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเม็ดทีนี้ใครที่ไม่รู้ใครที่ไม่รู้ความจริงไม่รู้จักฝุ่นดำที่เป็นจริงครับไม่รู้จักผ้าพื้นผ้าตางที่เป็นจริงขนาดของมันดำที่เป็นจริงเนี่ยก็คิดที่จะเก็บเม็ดฝุ่นเหล่านั้นออกหรือโดยวิธีเอาน้ำล่าลงไป ที่ฝุ่นมันก็ฝังนั่นลงไปในเนื้อของผ้ากรมมือย์นึงแต่คนที่รู้จริงๆนั้นก็จับชายสองชายแล้วสะบัดให้มันฟุ้งออกมามันฟุ้งออกมาแล้วมันก็หลุดเป็นกระบิดกระบิดไปดังนั้นที่ผมพูดว่าอย่าทำให้สงบเป็นคำพูดที่ทพูดจริงๆครับไม่ใช่พูดเล่นสมมติเรานั่งนิ่งสงบพอลืมตามันหายไป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 ชายผู้หนึ่งต้องการที่จะจับเพี้ยตัวนั้นมาฆ่าซิหรืองูก็ได้สุดแท้นฮะหมาไม่สําคัญอะไรแต่วําทำยังไงๆเพราะรูมันอยู่ลึกมันก็ไม่ยอมโผล่หัวออกมาดังนั้นเองชายผู้นั้นชายฉลาดผู้นั้นก็เลยเอาไม้แย่ะไปที่ก้นรูมันย้วยมันโมโหขึ้นมาให้จงได้หรื อ, อน้ําร้อนลาดลงไปเพี้ยหรืองูตัวนั้นก็ออกมาจากรู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 การปฏิบัติเช่นั้นท่านเรียกว่าสมถะดูดูสงบเส ง, เงยมดีแต่ว่าไม่ไม่ใช่ขอ ง, อ ย, งอยั่งยืนนะครับ